เรื่องพระชับพคี611สมัยนั้นพวกภิกษุฉับพคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้มีบาดหายหรือบาดแตกออกปากขอบาดได้พวกเธอมีบาดแตกเพียงเล็กน้อยบ้างบาดกระทาะเพียงเล็กน้อยบ้างบาดมีรอยขูดขีดเพียงเล็กน้อยบ้างออกปากขอบาดมาเป็นนันมากสมัยนั้นนายช่างหม้อมวทําบาดเป็นนันมากให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ จนไม่สามารถค้าขายอย่างอื่นตนเองก็หาเลี้ยงชีพไม่พอทั้งบุตรภรรยาก็พลอยลำบากไปด้วยพวกชาวบ้านจึงตาหนิประนามโผนธนาว่าฉะนั้พวกพระสมณะเชื้อสายสกยตบุตรจึงไม่รู้ประมาณออกปากขอบาดเป็นอันมากเล่านายช่างหม้อมัวรมบาดเป็นอันมากให้พิจิุทั้งหลายจนไม่สามารถทาการค้าขายอย่างอื่นตนเองก็หาเลี้ยงชีพไม่พอ ทังบุตรภรยาก็พลอยลำบากไปด้วยพวกพิสูจน์ได้ยินชาวบ้าตนตําหนิประนามโผนธนาบรรดาพิสูจน์มักน้อยพากันตำหนิประนามโผลนธนาว่าฉ น, นพวกพิสูจน์ฉับพคีมีบาดแตกบ้างเพียงเล็กน้อยบาดกระเทาะเพียงเล็กน้อยบ้างบาดไม่รอยขูดขีดเพียงเล็กน้อยบ้างออกปากขอบบาดมาเป็นอันมากเล่า